เห็นทุกข์ว่าควรกำหนดรู้เห็นสมุทัยว่าควรละเห็นนิโรธว่าควรทำให้แจ้งเห็นอริยมรรคมีองค์แดควรเจริญให้บริบูรณ์จนถึงระดับอรหัตตมรรคเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วตัณหานำไปสู่ภพเราก็ถอนได้แล้วพันจึงไม่มีวัตถุอะไรที่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาเมื่อไม่มีอารมณ์อะไรที่เป็นเยื่อใยายางเหนียวที่นาไปสู่ภพใหม่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 ไม่ถือเอาต้นใหม่อีกต่อไปไม่ถือเอาต้นทุกอันใหม่อีกต่อไปเนี่ยนะไม่ต้องถือเอาต้นน้ําตาต้นชรา ม, มรณะอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะแต่ก็ได้ยินนะแต่ว่ารับรู้เรื่องแต่เอาไว้ก่อนน้นะอย่าฟึ่งของอะไรย่างเงี้ย น, นะจะเหอจริงๆแล้วบอกอยังไงแหละเนี่ยนะดีไหมละตัญหาบอกดีละเลยไหมเอ๊ยยังมีประชุมอยู่นี่ก็ต้องตลําตลําล่อนเล่ไปดู แต่ไกลบ้างหนึง่งเร อ, อนทราบว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่ณนะหมู่บ้านโกติคามนั้นพระองค์ก็ทรงทรมีกระฐานี้แลเป็นอันมากแก่พิสุทั้งหลายว่าศีลมีอยู่ด้วยประการเชนนี้จะตุปปาริสุที่ศีลเนี่ยเป็นอย่างนี้นะก็คือศีลวิสุทธินั่นเอง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 เพราะฉะนั้นสมาธิคือมัคคสสมาธิผลสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากเมีย น, นิสงมากมัคคปัญญาผลและปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากเมีย น, นิสงมากมัคคจิตผลจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นด้วยดีโดยแท้จากอาสวะทั้งหลายกล่าวคือกามาสวะภาวะสวะและอวิชชาสวะเนี่ยนะ มันถ้าหากว่ารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัตว์เนี่ยนะแล้วก็บําเพ็ญอยู่ในศิขาสามก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้นี้อธิบายเพิ่มเติมว่าบทว่าโกติคาโมก็คือบ้านที่สร้างไว้ท้ายปราสาทของพระเจ้ามหาปนาทะเนี่ยนะบทว่าอริยสัตว์อริยสัตวก็คือสัจจะที่กระทําให้เป็นอริยะหมายคำ ว, ว่าบุคคลใดรู้เห็นอริยสัตว์จากปุถุชนก็กลายเป็น พระอาาริยะจ้าปุตุชนคนมีกิเลสก็เจริญเติตตบโตบรรลุเป็นพระอาาริยเจ้าจากปุตุชนก็เป็นพระโสดาบันจากพระโสดาบันถ้าแทงตลอดอาาริยสัจระดับสูงขึ้นไปอีกก็จะเป็นพระสกท า, าคามีแทงตลอดจากถ้าสูงขึ้นไปอีกจากพระสกท า, าคามีก็เป็นพระนาคามีแทงตลอดระดับสูงอีกจากพระนาคามีก็เป็นพระอรหันต์บทว่าอา น, านุโพธาเคราะห์ไม่อะไรไม่ตรัสรู้อาาริยสัจนั่นเอง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 ถ้าเป็นถ้าไปทางภาคอีสานเนี่ยเวลาไปนี่จะเห็นบ่อยอย่าหนึ่งก็คือ เ, เรียกว่าผูกควายจูงควายจากหมูบนหนหม่บ้านหนึ่งไปสู่หมู่บ้านหนึ่งนะจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งก็เรียกว่าผูกเรียกว่าผูกลากจูงจมูกไปเลยจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งเนี่ยนะอันตันหาที่นําไปสู่พบเหมือนกันมันก็ดึงจมูกไปหากลิ่อนหอมดึงลิ้นไปหารสอร่อยเนี่ยมันก็ชากทีละหกทวารเลยนะ ดึงตาไปแล้วไปหาสีสวยที่ตัวเองชอบดูนะดึงหูไปสู่เสียงที่ตัวเองอยากฟังดึงจมูกไปหากลิ่นที่ตัวเองชอบเนี่ยนะแล้วก็ดึงลิ้นไปหารสที่ตัวเองปรารถนาดึงกายไปสัมผัสกัว่าหน้านี้ขึ้นขึ้นไหนบอกขึ้นเหนือเขาบอกแหมอยากสัมผัสความหนาวมากเลจะได้ใช้เสื้อกันหนาวแค่นี้เหตุผลตรนตร น, ตรนอดตาหลับขับตานอนโอ้ยอยากไปหนาวเหลือเกินเนี่ยนะ พอกเก็เปิดห้องฟิตก็เข้าไปห้องเขาก็ขออนุญาตเข้าห้องแช่หน่อยเหรออย่างเงี้ยนะจะได้เย็นอย่าเยาะติดลบกี่องศาก็ได้แค่เนี่ยเหตุผลโอ้โหขับรถตั้งไกลเพื่อไปสัมผัสกับความหนาวกันเนี่ยบอกว่าจะทําท่าไปเหมือนไปไหว้พระนะจริงๆก็ไปยกมือประโลกเดียวแค่นั้นแหละที่เหลือก็ไปเรื่องอื่นโม้เนี่ยนะอันน้ น, นก็แปลกนะมันดึงไปนะอากาศเย็นภาคเหนือบอกว่าถ้าปีไหนหนาวมากคนขึ้นเหนือมากเนี่ยนะ พอปีนี้ที่ผ่านมาเมื่อห้าธันวาเนี่คนขึ้นเหนือแออัดจะเยียดไปหมดเลยนะที่พักก็แทบไม่พอรถขนส่งแถวนั้นแทบไม่พอเลยคนมันขึ้นมากจริงเราบอกอยากจะใช้เสื้อกันหนาวเหตุผลแค่นั้นเดี๋ยวปีใหม่เหรอเนี่ยคนเต็มไปหมดเลยไปเหรอเดี๋ยวเขมาจะอยู่แถวนี้เองคนมันน้อยๆดี <c oughs> ที่ไหนคนเยอะไปกันเตอะไปตัแล้วนะนั่นมีความสุของไรนะอยากจะไปชิมความหนาวว่างั้น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 นะบางทีเนี่ยร้อยคนก็มีพระอริยเจ็ดแดสิบอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็พระอริยนี่เยอะมากแต่ก็อย่างว่านะก็เหมือนกับอะไรครับบอกปู้ยสมัยก่อนนะภูเขาทั้งหลายมีแต่ไม้สักดปื้ดไปหมดเลยบอกตอนนี้ล่ะไม้อะไรก็ไม้ยากคาวสิมันก็บอกเอา้าเมื่อก่อนว่าป่าไม้สักไม่ใช่เลย เ, เขาก็ตัดไปหมดแล้วมันสิ้นอายุไขแล้วนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะก็อย่าไปไปตอนนี้อย่าไปหาไม้แก่นแบบนั้นมีแต่ยากคาวเหมั้น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 ภพกษุณีชื่อว่านันธาทำกาละแล้วในหมู่บ้านนาทิกาคติคมาคติเนี่ยนะคือคติมีห้านะปกติเนี่ยคติมีห้าคืออะไรนรกเดราชานเปรตมนุษย์เทวดาในจำนวนคติห้าเนี่ยนะเข้าไปไหนในจำนวนภพสามคือการมาภพรูปภพอรูปภพเนี่ยภพหน้าต่อไปเขาจะเป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะ อุบาสกสุทัตตอุบาสิกาสุชาดาเนี่ยชาติหน้าเขาเป็นยังไงอุบาสกชื่อว่ากากุทะการลิมพร ะ, ะนิกะต ะ, ะนะ ก, ะ ต, ะกะติสหตุธาสามตุธะพัตตะแล้วก็สุภตะเนี่ยนะท่านเหล่านี้ทำกาละแล้วในหมู่บ้านนาทิกะเขามีคติอย่างไรมีพพหน้าชาติหน้าต่อไปของเขาเป็นอย่างไร พระองค์ก็เรียงตอบตามลําดับ嘛นะพระองค์ไม่สับสนนะถามมาเยอะแยะพระองค์ไม่สับสนนะเขาค่อยเล่าได้ทั้งหมดนั้นเลยนะพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อน อ, นอนานนท์พิสุสารหะได้ทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะม่ได้แปลว่าพระพิกสุสารหะนั้นเป็นพระอรหันต์เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาที่ตรัสรู้ยิ่งด้วยตนเองแล้วเข้าถึงทิฏฐิธรรมแล้ว ะก็คือท่านดับขันปรินิพานเพราะท่านบรรลุเป็นพาาาระอรหันตในปัจจุบันชาตินี้แล้วเพราะฉะนั้นบัดนี้พบใหม่ไม่มีสำหรับท่านอีกต่อไปส่วนภิกษุณีชื่อว่านันทานั้นเพราะสังโยชนเป็นส่วนเบื้องต่ำห้าสกายทิฏฐิวิจิกิกจฉาสีและพัตะปรามากกามราคะและปฏิฆะนั้นอ่ะหมดสิ้นแล้วด้วยอนาคามิมเป็นผู้ผุดเกิดขึ้นเรียกว่าโอปปาติกะ ปริณิพานในชั้นสุดทาวา่าเป็นผู้ไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาคือพรมสุดท่าวาาจะไม่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่เกิดเป็นเทวดาไม่กลับมามีแต่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ปริณิพานในสุดทาวาาส่วนอุบาสกสุทตตะเนี่ยนะหมู่บ้านนาธิกาเนี่ยสิ้นสังโยชน์สามสิ้นไปแล้วเพราะราคะโทสะโมหะทั้งหลายเบาบาง ท่านเป็นพระสะกาทาคามีจากมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นและจะทำที่สุดแห่งทุกได้อาจจะไปอยู่เทวดาหลายๆชาติแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์สักชาติหนึ่งแล้วปรินิพานสุดูก่อนอนอน์ส่วนอุบาสิกาสุชาดาเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปเป็นโสดาบานันผู้มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้แน่นอนแล้วเพราะประชุมอริยมครคได้แล้วและจะตรัสรู้ต่อไปในอนาคตจะได้โสดาปฏิมสาสกอาทาคามิมัก จะได้สกท า, าคามีมักอนาคามีมักอรหัตมักต่อไปข้างหน้าแน่นอนอนะงั้นฮะไม่ผิดไม่พลาดเป็นพระอริยะแน่นอนเพราะบัดนี้เธอเป็นโสดาบันส่วนอุบาสกกกุทะเขาเนี่ยสิ้นสังโยชอันเป็นส่วนเบื้องต่ำห้าแล้วเป็นโอปปาติกะผุดเกิดขึ้นในสวรรค์ชั้นสุดทว่าหรือพรหมชั้นสุดทว่าและจะปรินิพานณนะที่นั้นเป็นผู้ไม่กลับจากโลกนั้นไม่มาสู่โลกนี้อีกเป็นธรรมดาอุบาสก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 เกินห0บคนนะที่เป็นอนาคามีเพราะเขาสิ้นสังโยชน์เบื้องต่ำห้าอย่างเป็นผู้ผุดเกิดขึ้นปริณิพานในชั้นสุดทาวาดนั้นเป็นผู้ไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเกินห0สคนเป็นพระอนาคามีเนี่ยนะอันจะทำบุญกับพระอารยะนี่จะเลือกทำกับใครนะจัดเลี้ยงทั้งหมู่บ้านนั่นแหละก็ได้เกือบทุกชั้นเลยนะถ้าอยากจะทำบุญกับพระอารยะนัะ้นต้องไปจัดเลี้ยงในหมู่บ้านนาทิกะทั้งหมู่บ้านเลยแหละ